ตามหลักในคำพีกล่าวว่าเหตุแห่งความฝันมีอยู่สี่อย่างคือหนึ่งทาตุโขภาความฝันที่เกิดเพราะทานไม่ดีซึ่งหมายความว่าในขณะที่นอนหลับมีสิ่งรบกวนทางประสาทมากเช่นท้องอืดท้องเสียหรือไม่สบายยุโรคอย่างใดอย่างหนึ่งความฝันของคนประเภทนี้เราจะเห็นได้ว่าเปปะไม่เป็นเรื่องเป็นราว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 และพื้นจิตใจส่วนมากสงบเราก็จะเห็นว่าความฝันของเขาจะเปะปะาไปในทางที่ดีซึ่งผิดกับบุคคลที่มีพื้นจิตใจไม่ดีความฝันจะเปะปะาไปในทางที่ไม่ดีและถ้าหากคนไหนมีพื้นจิตใจสงบจริงๆความฟุ้งซ่านมีน้อยแม้ร่างกายจะไม่สบายมีสิ่งรบกวนทางประสาอยังไรก็ตามความฝันก็จะไม่ค่อยเปะปาแต่จะฝันออกมาเป็นเรื่องเป็นราว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 กระจายอยู่ทั่วร่างกายคอยควบคุมร่างกายเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในความฝันแม้จะรุนแรงอย่างไรก็ไม่ซูจะร้ายเท่าไรนักแต่สำหรับผู้ที่ไปเกิดเป็นโอปปาติกะวิญญาณได้ทิ้งกายเนื้อไปแล้วและทุกอย่างที่กำลังมีอยู่หรือปรากฏอยู่เกิดจากอำนาจของเจตที่เข้มข้นมีพลังสูงจงพิจารณาดู ถ้าเหตุการณ์ที่กําลังประสบอยู่เป็นเรื่องร้ายมันจะร้ายแรงยิ่งกว่าความทุกข์ทรมานที่ได้รับในฝันซักเพียงใดแต่ถ้าหากเป็นเหตุการณ์ตรงกันข้ามคือเป็นเหตุการณ์ที่ดีก็ย่อมจะต้องได้รับความสุขเพิ่มขึ้นหลายเท่าด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าคนที่ได้ทํำบาปไว้อยู่ในโลกนี้ก็เดือดร้อนลาจากโลกนี้ไปแล้วก็เดือดร้อน นึกขึ้นมาก่าวายว่าเราได้ทำบาปไว้ก็เดือดร้อนและในเมื่อไปสู่ทุกขติภูมิแล้วก็ยิ่งจะเดือดร้อนเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าคนที่ได้ทำบุญไว้อยู่ในโลกนี้ก็เป็นสุขลาจากโลกนี้ไปแล้วก็เป็นสุขนึกขึ้นมาก่าวายว่าเราได้ทำบุญไว้ก็เป็นสุขและในเมื่อไปสู่สุขติภูมิแล้วยิ่งจะเป็นสุขเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า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 และในเมื่อมองเห็นภายที่จะต้องได้รับภายหลังจากตายเราก็ควรจะได้แก้ไขเสตตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่และแน่นอนสำหรับคนที่อ่านความฝันของตัวเองออกก็ยอมจะรู้แน่ว่าเมื่อตัวเองตายแล้วจะไปสวยสุขหรือไปสวยทุกสำหรับคนที่รู้จริงๆจะไม่มีใครประมาทหรือชะล่าใจถึงอย่างไรก็ต้องรีบขวนขวายแก้ไขตัวเอง และอีกอย่างหนึ่งจากเหตุการณ์ในความฝันจะบอกให้เรารู้ว่าความชั่วทุกอย่างที่เราได้ทำไว้มันมีวิบากเกิดขึ้นในสันดานทุกอย่างและวิบากที่มีอยู่นั้นมันจะต้องให้ผลอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ขอให้สังเกตว่าการกระทําต่างๆที่เราได้ผ่านมานั้นบางอย่างก็ปรากฏในความฝันเร็วแต่บางอย่างก็นานมาก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 มันก็จะต้องปรากฏออกมาเป็นความฝันจนได้ซึ่งอันนี้ควรจะเป็นหลักสำหรับให้เราเข้าใจว่ากรรต่างๆที่เราได้ทมเอาไว้ไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยมาสักกี่ชาติก็ตามถ้าวิบากของมันยังมีอยู่ในสันดานถึงไรเสียเมื่อมีโอกาสมันก็ต้องให้ผลอย่างแน่นอนทั้งในทางดีและทางชั่วอันหนึ่งขอให้สังเกตว่า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 มีอายุนานนับเป็นหมื่นๆมื่นแสนแสนหรือล้านล้านปีโดยนับตามเวลาในโลกมนุษย์นั้นก็ยิ่งจะเห็นได้ชัดว่าสาเหตุใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพทางจิตที่ดีเป็นพิเศษเขาได้โปรดพิจารณาให้ลึกซึง้งถึงคำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าคนที่ได้ทมบุญไว้เมื่ออยู่ในโลกนี้ก็จะมีความสุขลาจากโลกนี้ไปแล้วก็มีความสุขนึกขึ้นมาล่าวใดว่า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 อันหนึ่งจากความฝันที่เปรปะซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นจิตใจของเราไม่ดีนั้นบางคนก็อาจจะวิตกว่าถ้าหากเรานอนหลับและฝันคราวใดก็มักจะมีแต่เรื่องความฝันที่เปรปะเสมอเมื่อเป็นเช่นนี้มีหมายความว่าเมื่อเราตายไปเกิดเป็นโอปปาติกะชีวิตของเราในโลกของโอปปาติกาก็จะต้องเป็นชีวิตที่เปรปะกมีแต่ความคิดฟุ้งซ่านเอาเรื่องเอาเราวไม่ได้ เป็นคนเสียสติอยู่ในโลกนั้นไปหรือข้อวิตกอันนี้บางคนอาจจะมีทั้งนี้ก็เพราะไปยึดถือแต่ในหลักที่ว่าชีวิตในโลกของโอปปาติกะเหมือนกับชีวิตในความฝันแต่ความเป็นจริงคนที่นอนหลับฝันเปตป่าอยู่เสมอนั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อตายไปแล้วชีวิตจะต้องอยู่ในรูปนี้ทั้งนี้ก็เพราะ ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เป็นคนในขณะที่เรานอนหลับประสาทของเรารับรู้ต่อสิ่งภายนอกได้ง่ายเพราะฉะนั้นจึงทำให้ความฝันเปรป้ปาแต่ในเมื่อเราตายไปเกิดเป็นโอปปาติกะสภาพอย่างนี้ไม่มีคือประสาททุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตใจในส่วนลึกคือะวังขจิตชีวิตของโอปปาติกะจะเป็นเสมือนหนึ่งคนอนอนหลับที่สนิทที่สุด จนกระทั่งอิทธิพลของสิ่งภายนอกเข้าไปก่อกวนจิตใจไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องเป็นห่วงว่าเมื่อเราเกิดเป็นโอปปาติกะชีวิตของเราจะต้องเปรตปากเหมือนกับในความฝันทั้งนี้เว้นไว้แต่ว่าสันดานของเราจะเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านความคิดไม่มีระเบียบชีวิตไม่มีหลักมีแต่ทาอะไรตามอารมณ์และเปลี่ยนแปลงง่ายจุดนี้พยายามพิจารณาให้ซึ้ง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 จะต้องไปสู่สุขคติเต่ท้าตรงกันข้ามก็จะต้องไปสู่ทุกขคติขอให้เข้าใจไว้ด้วยว่าโดยธรรมดาวิญญาณของคนทุกคนย่อมมีสมรรถภาพในการที่จะสร้างร่างกายขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ข้อพิสูจน์ก็คือร่างกายของเราที่เกิดมาในโลกนี้ซึ่งในขณะที่วิญญาณมาปฏิสนธินั้น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 และในทํานองเดียวกันในขณะที่กําลังจะจุติจากกายมนุษย์ไปมีชีวิตเป็นโอปปาติกะซึ่งในขณะนั้นรูปร่างที่เป็นโอปปาติกะก็ได้เกิดขึ้นแล้วแต่ความสมบูรณ์ของร่างกายโอปปาติกะนั้นจะถึงที่สุดก็ต่อเมื่อวิญ ญ, ญาณดับสนิทจากกายมนุษย์ซึ่งในตอนนี้วิ ญ, ญญาณจะไม่รู้สึกถึงสิ่งต่างในโลกมนุษย์และก็จะไม่รู้สึกถึงร่างกายที่กําลังมีอยู่เหมือนกับคนที่นอนหลับสนิท และฝันเห็นภาพที่ชัดเจนเะนั้นอันหนึ่งขอให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าความเป็นจริงในขณะที่วิญญาณมาเกิดในท้องแม่สภาพของวิญญาณในขณะนั้นจะเหมือนกับคนที่นอนหลับสนิทและฝันแต่ครั้นเมื่อเราเคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วเราก็ลืมถึงความฝันในขณะนั้นทั้งหมด เช่นเดียวกับทารกทุกคนในขณะที่นอนหลับแล้วก็จะฝันและเป็นความฝันที่ชัดเจนด้วยและโดยเฉพาะก็คือเด็กทารกทุกคนในขณะที่นอนหลับจะฝันเห็นโอปปาติกาตลอดเวลาและเป็นการเห็นยังถูกต้องด้วยผู้ที่เขาเห็นอยู่เสมอก็คือพี่เลี้ยงของเขาซึ่งคนไทยโดยทั่วไปเรียกกันว่าแม่ซื้อแต่ครั้นเด็กตื่นขึ้นมาแล้วก็จะลืมถึงเรื่องราวในความฝันทั้งหมด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 สาเหตุที่แตกต่างกันเช่นนี้เป็นเพราะสมองของโอปปาติกะถึงแม้จะถือว่าเป็นวัตถุแต่ก็เป็นวัตถุที่ละเอียดประณีตมากและเกิดจากใจโดยตรงและไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมพันธุและสิ่งแวดล้อมส่วนสมองของเด็กทารกในโลกมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากกรรมพันธุและสิ่งแวดล้อมและที่สาคัญก็คือเป็นวัตถุที่หยาบไม่ได้ขึ้อนอยู่กับจิตใจทั้งหมด ประเด็นนี้โปรดพิจารณาให้ซึ้งสำหรับคนทั่วไปอาจจะเข้าใจยากมากเพราะเป็นการพูดถึงสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นเลยคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้จริงๆต้องใช้สติปัญญาที่ละเอียดประณีตแหลมคมและว่องไวด้วยข้าพเจ้าขอเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าท่านไม่ต้องห่วงถึงตัวท่านเองจนเกินไปในเมื่อไปมีชีวิตอยู่ในโลกของโอปปาติกะ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 ถ้าหากเราสะสมความชั่วเอาไว้มากสันดานก็จะเสียขอให้พิจารณาดูสภาพของจิตใจที่มีความชั่วอยู่ในใจมากและจะเห็นว่าจิตใจอย่างนี้จะหาความสงบสุขได้ยากมากควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ทำอะไรไม่ค่อยมีเหตุผลเพราะคนที่มีสันดานชั่วนั้นโดยปกติไม่อาจที่จะเข้าใจเหตุผลของสิ่งต่างๆได้ง่ายเขาจะคิดไม่ค่อยออก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 ส่วนชีวิตของพวกโอปปาติกะเป็นชีวิตที่เกิดมาจากวิบากลุวนๆเป็นชีวิตที่สวยผลของวิบากอย่างเห็นได้ชัดและตรงไปตรงมา